นโมทนาบุญกับผู้ที่เข้ามาร่วมรายการโครงการคุณธรรมจริยธรรมของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตก็ผู้ฟังนี้ก็ประกอบไปด้วยสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภออน า, ามายัยเจ้าที่อน า, ามายัยอาสาสมัคร แล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรที่เขามาร่วมกันสร้างความดีทําความดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีต่อไปบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน เป็นบุคคลสำคัญในด้านการให้บริการบุญมาร่วมให้บริการบุญแล้วก็เป็นการสร้างบุญแบบไม่ต้องใช้เงิน <c oughs> คนทั่วไปคิดว่าการทำบุญเนี่ยจะต้องเสียเงินเสมอไปต้องไปวัดต้องไปบริจาคที่นั่นที่นี่ อันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญแต่ว่าบุญเนี่ยมันมีความกว้างไม่ใช่ว่าแค่เอาเงินไปให้ใครหรือเอาอาหารไปเลี้ยงพระไปการทําบุญไม่ใช่การทําบุญที่ช่วยลดความทุกข์ลดปัญหาให้กับผู้อื่นเนี่ยก็ถือเป็นการทําบุญส่วนหนึ่งเหมือนกันและเป็นบุญมากเลยนะ ไม่ต้องเสียเงินแต่คุ้มค่ามากบางทีเราบริจาคทานไปหนึ่งล้านบาทเสียเงินไปหนึ่งล้านบาทแต่ใจนี่เครียดมากเลยโอ้ไม่น่าเลยให้ไปต้องล้านกลับมาที่บ้านทะเลาะกันอีก <c oughs> อันนี้ไม่ใช่บุญหรอกบุญเป็นชื่อของความสุขอะไรก็ตามถ้าใจเราเป็นสุขแล้วก็ นั่นเป็นส่วนของบุญทั้งนั้นบุญเป็นเชื้อของความสุขการทําความดีทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวการทําบุญเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการสาธารณสุขทุกท่านถือว่าเป็นบุคคลที่ให้บริการบุญการช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ให้กับผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นบุญในขั้นที่ว่า มันทำให้เราเนี่ยเกิดความภูมิปุ่มใจแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขนี่ก็อย่าท้อแท้ใจนะอย่าท้อในเรื่องการทำบุญอย่าท้อในเรื่องการทำความดีสั่งสมไม่บ่อยๆเถอะเรื่องบุญเรื่องความดีเนี่ยไม่มีการขาดทุนยิ่งทำยิ่งได้แล้วก็สำคัญคือใครทาใครได้ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้แม้แต่คิดกิดก็เป็นบุญแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะอย่างเช่นใน ว, วันเนี้ยมีโอกาสได้มาที่โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรพอเริ่มเข้ามาผ่านประตูเข้ามาเนี่ยโอ้โหผู้ที่มาใช้บริการบุญนี่เยอะเหลือเกินไปที่ไหน ก็เจอเนะี่ยโรงพยาบาลเนี่ยอุน่นหนาฝาข้า่งกับผู้ที่มาใช้บริการบุญนะบุญแทบจะเดินชนกันยิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลโอ้บุญนี่นอนรอกันเกลือล่อนเลยบางทีเจ้าหน้าที่เราก็น่าเห็นใจนะบางทีทําบุญจนเพลียบุญก็มี <c oughs> กลับไปบ้านเนี่ยนอนเพลียบุญแต่มาเพลียบแดบดบได้พักผ่อนแล้วก็ เดี๋ยวจิตใจแล้วก็เย็นแล้วก็เป็นบุญแล้วนึกถึงที่แล้วใจก็มีความสุขแล้วกลับมาในตอนเช้าแมังก็เราก็ได้มาต่อบุญไม่ได้มาขึ้นเวรมาขึ้นบุญเนี่ยการทํางานไม่ใช่การทํางานแต่ต่อเป็นการทําบุญขึ้นเวรคือขึ้นบุญด้า น, นลงเวร น, นี่ไม่ได้เป็นการคืนบุญนะ <c oughs> เก็บเอาความปิติกลับไปบ้านเห็นไหม บุญจากโรงพยาบาลจากสถานที่ทํางานเอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะฉะนั้นสถานที่ทํางานเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่การสร้างบุญนั่งนั้นเลยไม่จะเป็นต้องโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ถ้าเอาที่นั้นเน่ยเป็นที่ทําความดีที่ทําประโยชน์แล้วก็เป็นสถานที่สร้างบุญนั้งเงันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ สารสุขเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ช่วยในการรักษาพยาบาลได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโรงพยาบาลแม้ว่าจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญชำนาญขนาดไหนก็ตามหรือมียาที่มีสรรพคุณดีเลิศสักบันใดก็ตามและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมทุกอย่าง ก็ยังไม่เพียงพอก็ยังจําเป็นต้องใช้บริการจากเจ้าหน้าที่และก็ภรรยาบานช่วยในการดูแลเอาใจใส่การรักษาจึงจะจบขั้นตอนที่ครบถ้วนบริบูรณ์มีเพียงหมอมีเพียงเครื่องมือมีเพียงแค่ยายัางไม่พร้อมต้องมีเจ้าหน้าที่ด้วยทุกคนมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการทําหน้าที่รักษาพยาบาลทั้งนั้นเพราะว่าคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายจิตใจเขาก็ป่วยด้วยคนไข้ก็ป่วยใจก็ป่วยกายก็ป่วยรวมทั้งญาติที่มาด้วยกันเพรานั้นไม่ได้ป่วยหนักกว่าคนไข้เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องเข้ามาใช้บริการทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ที่ ถือว่าเป็นผู้ที่พัฒนาจิตแล้วเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่ความชั้นนิชนานาในสาขาวิชาชีพที่เราได้รําเรียนมาเนี่ยยังไม่เพียงพอใช้เพียงอาชีพที่เราเรียนมานยังไม่พอเราต้องมีจิตใจที่เมตตากรุณาด้วยพื้นฐานของผู้ที่ให้การบริการเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่เมตตากรุณา อันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยมีจิตที่เมตตามองเห็นความทุกข์ทรมานของคนอื่นเนี่ยเหมือนเป็นความทุกข์ของเราต้องมีจิตที่จะช่วยเหลือช่วยลดความทุกข์เขเวทนาลดปัญหาให้กับเขาด้วยด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็เอาใจใส่อันนี้เป็นหน้าที่ ต้องประกอบกันนะทั้งวิชาชีพแล้วก็ทางด้านจิตใจต้องประกอบกันจึงจะสมบูรณ์ถ้าเราทําหน้าที่เพียงแค่โดยหน้าที่นั่นคือลูกจ้างถ้าทํานี่ด้วยใจเนี่ยโอ้นี่มันเหนือเหนือความเป็นลูกจ้างถึงเวลาหมดเวลาสิ้นเดือนรับเงินก็คือลูกจ้างแต่ถ้าทํำด้วยใจเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างธรรมดานะ เป็นลูกจ้างของผู้ที่เจ้าด้วยช่วยงานทางด้านลดปัญหาให้กับผู้อื่นเพราะนั้นการดูแลอาใจใส่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขเนี่ยถือว่ามีประโยชน์และก็สำคัญมากเพราะว่าการที่จะบริการเาและพูดมาให้การบริการเนี่ยบางคนเนี่ยมีความทุกขเวทนามากไม่ทุกกายก็ทุกใจ ส่มากจะเป็นจิตใจสัมมากกว่าร่างกายป่วยไข้ทางกายนิดเดียวแต่ใจเนี่ยทุกไปมากมายเกิดจากการปรุงแต่งความคิดคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่ช่วยเหลือเขาได้โดยที่ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรเลยนะผู้ ด, ดูแลผู้ช่วยเหลือผู้ให้บริการเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลย เ, ลยเพีแต่พูดคุยตั้งใจพูดคุยซักถาม คนที่มีความทุกข์ทางกายจิตนี่จะหมกมุ่นกับความทุกข์มากแต่ถ้าเราไปคุยเนี่ยเราสามารถดึงจิตใจเขาออกจากทุกข์ทางกายได้จิตเขาทำหน้าที่รับอารมณ์ได้แต่ขณะขณะถ้าเขามาสนใจคำที่เราพูดเขาจะลืมความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายทุกขเวทนาทางกายเนี่ย ไม่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ได้ถ้าจิตเขาไม่ได้เป็นสนใจความทุกข์ตงนั้นเจ้าที่สามารถกลองจิตภาษาพูดกันซื่อๆว่าหลอกจิต <c oughs> ให้มันสนใจองพูดของเราเห็น <c oughs> ไหมมันช่วยเขาได้นี่ยังไม่ได้สัมผัสตัวเขาถ้าได้สัมผัสตัวได้จับเนื้อจับตัวเขาก็ยิ่งจะมีความอบอุ่นใจทุกข์ใจนี่จะผ่อนคลายลงไปถ้าเราไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรหรอก มีวิธีการพูดบอกเขาหน่อยโอ้ไอเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาคุยถึงความเป็นธรรมดาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลากเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมามันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาบางทีเราไม่เข้าใจก็พูดไปก่อน <c oughs> เป็นการย้อมจิตใจเข้ามาสนใจเราการที่เราตั้งใจหรือสนใจที่จะพูดคุยเขาเนี่ย ทำให้เขามีกําลังใจนะมองบางทีเราต้องอาศัยคนไข้เป็นครูสอนธรรมะสอนสาศาสนาทำให้กับเราก็ได้เราสอนคนไข้แล้วยังไม่เพียงพอให้คนไข้เป็นครูสอนเราบ้างก็ไนดะ้คนไข้ไม่ต้องพูดหรอกแค่นอนเป็นทุกข์ให้เราเห็นเนี่ยนั่นแหละคือครูสอนธรรมเป็นครูสอนธรรมะ เราก็คิดแบบคนเราเนอะมันไม่แน่นอนเห็นไหมมันมีความจะใครได้ป่วยนีย่เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยอีกไม่ช้าเขาก็ตายจากไปน้อมเอาอาการเขาเนี่ยมาใส่ตัวเราเอาตัวเราไปเป็นเขาเห็นหเป็นการน้อมเอาสัจธรรมเข้ามาสู่ตัวเราทำให้เราเกิดปัญญาเราจะได้ไม่ประมาทเนยไม่ประมาทใช่หไหเอาเขามาเป็นครูสอนตัวเราไม่ประมาท บางทีทุกทางกายที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าเราคุยแล้วทุกกายเขาไม่ลดลงไม่เป็นไรแต่เขาจะมีกําลังใจเขามีกําลังใจนะกําลังใจนี่สําคัญนะถ้ากําลังใจไม่มีเนี่ยมันตั้งตัวไม่ได้แล้ว <c oughs> มันยิ้มไม่ออกเขามีกายมีจิตเราก็มีกายมีจิตถ้าช่วยกายไม่ได้ช่วยใจเขาเ อ, อช่วยใจเขาไม่ได้ ถ้าช่วยลายช่วยใจเขาไม่ได้ช่วยใจเราก่อนใจเราก็สำคัญนะบางคนช่วยเขาไม่ได้เลยโอ้เราทำอะไรเขาไม่ได้เลยเราแย่เราเป็นทุกข์กับเขาเองเนี่ยมันขาดทุนช่วยเขาแต่เราอย่าขาดทุนช่วยเขาทุกขเวทนาไม่ลดน้อยลงไม่เป็นไรแต่ใจเขาก็ดีขึ้นเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทางกายทำให้ไม่เกิดทุกขทรมานจิตใจต่างกันนะ ทุกทรมานใจเนี่ยออมันทุกมากแต่ทุกขเวทนาทางกายเนี่ยกินยารักษามันก็ช่วยผ่อนช่วยคลายไปได้มันต่างกันนะทุกทรมานคือเรื่องของจิตทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายนะแต่คนเราส่วนมากมีทุกขเวทนาทางกายด้วยกลับเกิดการทุกทรมานใจด้วยโอเสียเนยเสียสองต่อไม่มีใครช่วยใครได้ ถ้าถูกยิงก็ถูกยิงสองนัดเลยไม่รอดเพราะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท, ท่านนะกับคนที่มาให้เราได้ช่วยเหลือเนี่ยก็ควรจะมีจิตใจที่ทำหน้าที่ด้วยความอบอ้อมอารีวจีหวานลน้นสุภาพ อ, อ่อนโยนวางตนพอประมาณคนไข้ก็ทำท่าจะหายนะ แต่ถ้าทำหน้างอรอนานบริการไม่ดีเนี่ยคนไข้ก็ทำท่าจะตายเหมือนกันนะสถานที่ทำงานเนี่ยเป็นสถานที่สร้างบุญได้ถ้าเราวางใจดีๆและดูเฉพาะเจ้าหน้าที่สารสุขทุกท่านสามารถทำงานแบกยกระดับ จ, จิตใจให้สูงขึ้นจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าปุตุชนธรรมดาที่หนาด้วยกิเลส ไม่รู้จักผิดชอบช่วยดียกขึ้นระดับที่เป็นกัลยาณปุตชนกัลยาณปุตชนเนี่ยปุชนชั้นดีรู้จักบาปบุญคุณโทษอันไหนประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรทาอันนี้คือปุตชลแต่ชั้นดีท <c oughs> ่านเหนือจากปุตชนชั้นดีคือความเป็นอริยชน ผู้ที่กล้าล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคนในโลกนี้อยู่ระดับแค่ปุตตุชนถ้าไม่พัฒนาจิตเข้าขั้นกัลยาณปุทุชนแล้วก็ก็ติดอยู่แค่พื้นฐานธรรมดางานสารสุขเป็นงานที่พัฒนาจิตจากปุตตุชนธรรมดากลายเป็นกัลยาณปุตตุชน ด้วยการสร้างคุณธรรมประจำจิตประจำใจงานเนี่ยเป็นการสร้างคุณธรรมแท้ๆเลยทำให้จิตใจนี่สูงขึ้นจากบุคคลธรรมดาแต่ยังไม่พอนะเราพัฒนาแค่นี้ยังไม่พอร่างกายเนี่ยพัฒนาได้แค่ตายแล้วก็เข้าลงแต่จิตใจเนี่ยพัฒนาถึงความเป็นอริยชนพ้นจากกิเลส จ, จากกองทุกข ในสถานที่ทำงานสามารถทำได้ยกดับจิตใจจนพ้นทุกเนือกิเลสเนื้อกองทุกด้วยการทำหน้าที่และก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปาการทำหน้าที่อันเนี้ยเป็นบุญสูงสุดเลยนะเป็นบุญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรม บุญสูงสุดตัวไหนบุญแปลว่าความสุขแต่บุญสูงสุดนี่มันอยู่เหนือสุขเหนือสุขเรื่องทุกข์ไม่ต้องพูดถึงแต่เหนือสุขไปแล้วอันนี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดสามารถละกิเลสในใจไรละเหตุทั้งความทุกข์ได้เนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดเลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการปฏิบัติธรรมในการทำหน้าที่เพราะแมาการทำหน้าที่สถานที่ทำงานเนี่ยจะรู้ว่าเป็นธรรมสถานอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเลยทำได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลที่สถานีอนามัยสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดที่บ้านก็ทำได้ทั้งนั้น เพียงแต่เราใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาเติมสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าไปในการใช้ชีวิตคือการมีสติจดจ่ออยู่กับการทำงานมีสติจดจ่ออยู่กับการทำงานเราเดินไปแต่ละก้าวการก้าวไปทำหน้าที่ให้ก้าวไปได้วยความรู้สึกตัวนั่เเป็นบุญตลอดทุกก้าวเลยเก้าวขานึ่งรู้สึกตัวครั้งหนึ่งเนี่ย ทัวเป็นบุญนะเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมนการมีสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันกับการเคลื่อนไหวในการทำหน้าที่ต่างๆการนั่งลงใครรู้สึกตัวมีสติเนี่ยการจะจับปากกามาเขียนก็ให้มีสติเนี่ยการอ้าปากขาวในที่ทำ ง, งานก็มีสติได้ไม่ผิดมีสติตามรู้ในรเหบุการเคลื่อนไหวตา่างๆ อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเพราะปะกะติเวล า, าทํางานนะใจเราจะเลื่อนลอยไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตมุ่งหวังว่าเราจะได้อะไรบ้างใครจะชมเราบ้างกลัวว่างานจะไม่เสร็จกลัวเวลาจะหมดรอเวลาเมื่อไหร่จะหมดก็พวกเนี้ยจิตไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะขาดสติจิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องอยู่นะ ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ในจิตมันจะเลื่อนลอยเป็นสัมภเวสีผีสับสนอสัมภเวสีนี่ผีสับสนนะไม่รู้จะไปเกิดตรงไหนดีนั่นแหละคือคนที่จิตใจเลื่อนลอยนะ่ะคือสัมภเวสีผีสับสนนะั่นแหะกําลังฟังอยู่ใจลอยนะี่อันนี้ก็เป็นสัมภเวสีนะกําลังฟังอยู่จิตใจต้องอยู่กับการฟังกับปัจจุบันอันนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาอย่างมีสติ การทำงานก็เช่นเดียวกันเราทำงานด้วยความเคยชินทำด้วยความเคยชินด้วยความํำนานแต่ใจไม่ได้อยู่กับเนื้องานเราัูเกตกไหมงานจึงปิดพลาดบ่อยๆถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับงานสติจะนาเอาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมารวมพลังอยู่กับแดนงานแล้วงานจะไม่ค่อยปิดพลาดถึงจะปิด มันก็รู้ทันก่อนแล้วขั้นตอนการทำงานเนี่ยจะเป็นสเต็ปเป็นระบบเพราะสติคุ้มครองจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่ในแดงงานของเราแล้วมันก็มีความสุขคนที่ทำงานได้มีความสุขเพราะจิตใจเลื่อนลอยถ้าทางานแล้วมันเพลินลืมกินข้าวลืมหมดทุกอย่างจิตใจอยู่กับงานนะลืมว่าเราเป็นหนี้ใครด้วยซ้ไป ถ้าทำงานไปใจคิดโอ้โหงวดนี้จะจ่ายเท่าไหร่ <c oughs> มันไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าถูกอารมณ์กิเลสดึงออกไปถ้าจดจ่อโยงงานมันเพลิดเพลินเปรนกับการทํางานความถูกตั้งเริ่มจากปัจจุบันนะอย่ารอตอนงานเลิกหรือรอตอนเงินเดือนออกอันนั้นเป็นอนาคตบางทีเราชีวิตอาจจะไม่ถึงตรงนั้นก็ได้ ต้องอยู่กับปัจจุบันสุขอยู่ไม่ไกลจากจิตปัจจุบันถ้ารวบรวมจิตอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็จิตเราจะใหม่ชีวิตเราจะใหม่ตลอดเวลาการมองอนาคตนั้นวืตเราก็จะเก่าเะ้ว่าถ้าสติจดจ่โยกงานเนี่ยจะเกิดสมาธิจะเพลิดเพลินงานจะไม่ผิดพลาดอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยะให้มีสติอยู่บางคนสงสัยว่า เอเราจะมีสติไปทำไมเราก็มีอยู่แล้วสติก็มีอยู่เป็นสติด้วยความเคยชินสติเนี่ยถ้าเราอยู่กับการทำงานบ่อยสติจะให้รู้ทันใจเรามีสติเพื่อให้รู้ทันจิตทันใจเห็นไหมลึกข้าไปอีกขั้นหนึ่งตอนแรกรู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวขั้นต่อไปสูงระดับหนึ่งคือรู้ทันจิตทันใจเราจะเห็นจิตเห็นใจเราตัวเนี้ย อันนี้ไม่ในนอกเหนือจากการปฏิบัติทนะํามนั้นนี่แหละคือปฏิบัติรรทํามัางนั้นอะอยู่ในชีวิตประจําวันทุกคนทําได้ให้รู้ทันจิตทันใจเราใจมันคิดอะไรก็ให้รู้ทันคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จักจิตจักใจไม่รู้จักถูกจริงท่องทำผิดไม่รู้จักจิตขวัญจึงกระเจิงเหดีนะกระเจิงไปไหนเพราะติตคนคนทุกคนที่ไม่ได้ฝึกขัดเนี่ยจิตเป็นโรคภูมิแพ้ทางนั้นอะ่ะ โรคภูมิแพ้ทางกายก็เห็นไหมรักษาได้ไม่ยากนะแต่โรคภูมิแพ้ทางจิตเนี่ยมารักษายากมากเลยบางทีฆ่าตัวตายเพราะโรคภูมิแพ้ทางจิตจิตแพ้อะไรจิตไม่ได้แพ้ใจจิตแพ้อารมณ์ถูกไหมอารมณ์คือสิ่งที่มากระทบทางตาคืออะไรเขาเรียกว่ารูป อารมณ์คือเสียงที่มากระทบทางหูอารมณ์คือกลิ่นที่มากระทบจมูกอารมณ์คือรสที่มากระทบลิ้นอารมณ์คือความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายอารมณ์คือความคิดที่มากระทบใจนั่นแหละคืออารมณ์เราแพ้นเราชนะ บางอารมณ์เราก็ชนะบางอารมณ์เราก็แพ้แต่ส่วนมากก็แพ้ <c oughs> ทิตเป็นโลกภูมิแพ้เวลาเจออารมณ์รักเราก็หลงรักหมดเนื้อหมดตัวไปเลยยินดีชอบใจหัวเราะล่าอ้าปากค้างบางทีเจออารมณ์ที่ไม่พอใจโกรธไอเราก็แพ้อารมณ์โกรธอีกนะ หลงโกรธหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันหน้านิว่วหัวคิ้วฝูกโบ้เหรอเราแพ้อารมณ์พวกเนี้ยเพราะจิตไม่มีสติเราไม่รู้ทันจิตแล้วเวลามันแพ้อารมณ์เนียน่ยเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์มากนอนไม่หลับไม่น่าทําเลยเรื่องแคนี้ไม่น่ามานินทาเราไม่น่าว่าเราฟังเราสักหน่อยก็ไม่ได้ บ้งทีเราก็ไม่เคยฟังเขาอย่าเขาฟังเราไม่ยอมเข้าใจเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันแต่เราก็โทษเขาไม่เข้าใจเราโทษเขาไว้ก่อนเนี่ยเพราะจิตเป็นโรคภูมิแพ้เพราะนั้นการเจริญสติในขณะทางานเนี่ยเป็นการรู้ทันจิตใจเราการรู้ทันจิตเนี่ยไม่ใช่ห้ามไม่ให้มันคิดไม่ใช่ รู้ทันคือเวลาจิตมันคิดปรุงแต่งไปในทางพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีให้สติรู้เท่าทันแค่นั้นเองแค่รู้ทันแค่นั้นเป็นการเอาชนะอารมณ์ได้แค่รู้ทันเอาชนะอารมณ์ได้รู้เฉยเฉยรู้ทันใจเราพอรู้ไปบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากสิ่งภายนอกหรอก ปัญหาไม่ได้จากคนอื่นที่ทำให้เราปัญหาไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นที่มากระทบเราปัญหาเกิดจากจิตเราต่างหากเป็นผู้เห็นผิดกับสิ่งที่มากระทบสะเกต ด, ดูเถอะปัญหาทั้งหลายนี่ไม่ใช่มีใครทำให้เราเราต่างหากเข้าใจผิดสำคัญผิดทุกข์เพราะจิตใจเราเป็นต้นเหตุเราต่อต้านเราไม่พอใจ ทั้งในสิ่งข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเนี่ยอย่างอากาศร้อนอย่างเงี้ยโอ้เราโทษ ด, ดวงอาทิตย์ทำไมถึงได้ร้อนแรงอย่างนี้แต่ไม่เคยโทษใจเลยเลยว่าทำไมจึงยอมรับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋ความร้อนเป็นเรื่องธรรมดาถึงหน้าร้อนก็ต้องร้อนเป็นเรื่องธรรมดาถึงหน้าหนาวมันก็หนาวเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใจเรายอมรับและเข้าใจเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลย คนใกล้ตัวเราก็เหมือนกันบางทีเขาเจตนาดีกับเราเขาพูดกับเราเขาสังเกตเราแต่เรากลับมองเขาผิดก็มีนะมองเจตนาดีเขากลายเป็นเจตนาร้ายเขาหวังดีกับเราแต่เราคิดเป็นเขาหวังร้ายคอยดูเราจะปิดเราหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราเข้าใจผิดแล้วเมื่อเราเข้าใจผิดเราก็เชื่อเชื่อจิตเชื่อใจเ ร, จราซะด้วยเพราะเรารู้ไม่ทัน เคยมีเรื่องเล่าว่าในสถานที่ทํางานแห่งหนึ่งมีผู้ชายเป็นลูกจ้างอยู่โอ้เขาทํางานหนักมากเลยเจ้านายนี่ให้งานหนักมากเลยให้ทํางานเยอะๆเริ่มมาทํางานก็เริ่มให้งานจนตั้งงานเลิกเขาก็ไปบน่นเขาไม่พอใจไปบ่นกับเพื่อนว่าเนี่ยทำไมเจ้านายให้งานเราเยอะเลยเกิน เราหนักเราเหนื่อยนะน้ำไม่ไหลก็เราไฟไม่สว่างก็เราสถานที่สกปรกก็เราก็ต้องทำอสถานที่ไม่เรียบร้อยเราต้องเป็นคนจัดสลายม็อบกับตัวเราอะไรอะก็กูต่อแรกกับเรานะต่อไปก็อะไรแะ้วกูกูกูไปคุยให้เพื่อนฟังมีความเบื่อหน่ายมากทำไมงานหนักเลยเกิน แต่เรื่องที่คุยเนี่ยไปเข้าหูเจ้านายครับอย่าลืมนะเรื่องที่เราเรับไวกับเพื่อเราฟังเนี่ยเรื่องเจ้านายเนี่ยหนีไม่เพราะอะเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าหูเจ้านายจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งอะและตอนที่เราคุยไปกับเพื่อนเนี่ยคุยแค่นี้นะแต่เพื่อนไปคุยต่อหรือเจ้านายได้ยินนี่มันเพิ่มไปอีกหลายขั้นเติมเพิ่มอีกหลายขั้นเลไปเข้าหูเจ้านายพอสิ้นปีเจ้านายก็เรียกเรียกมาคุยเอามาคุยกันหน่อยสิ ไอ้ที่เจ้านายที่ให้งานเราทํามากๆเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมโอ้นั่งตัวเย็นเลยจะได้บอกว่าไอ้ที่ให้ทํางานเรามาเพราะว่าเห็นเราเนี่ยทางานมาหลายปีแล้วไม่มีผลงานเลยไม่เข้าตากรรมการเลย<ม>ก็เลยพยายามที่จะป้อนงานให้มากๆจะได้มีผลงานถ้าจะให้2ขั้นให้เงินเดือนสองขั้นเนี่ยมันจะให้แบบสบายใจหน่อยจะได้มีผลงานเข้าตากรรมการเห็น ไ, ไหม จึงจะไม่ต้องให้เรามีงานทำมากมากชายคนนั้นรู้สึกแหมรู้นิดเราทำให้หนักกว่า น, นี้ก็เดียรสองขั้นไม่พออะไยหลายขั้นนะที่จริงไอความหวังดีจากคนอื่นเนี่ยเขาทำมทันทีเราไม่เข้าใจเราไปตีความเอาเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งนะนั้นเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นจากภายนอกเนี่ยเราจะเพิ่งด่วนสรุป ให้รู้ทันจิตทันใจในความคิดเดี๋ยวไปเชื่อคิดได้แต่เราไม่จะเป็นต้องเชื่อความคิดเราเสมอไปใช่ไหมคิดได้ให้มีสติรู้ทันการรู้ทันจิตเนี่ยเป็นการตัดต้นเหตุของปัญหาไปขั้นหนึ่งแค่รู้ทันแล้วจะมีความคิดที่มันดีกว่านั้นโดยการที่พิจาครณาไข้ควรให้ดีก่อนที่ด่วนตัดสินใจไป หลายคนพอคิดปั๊บทาตามความคิดคิดปั๊บพูดตามความคิดแล้วบาทีมาเสียใจทีหลังก็ได้เห็นหมเราไม่น่าทำอย่างนั้นไปเลยเราไม่น่าพูดสิ่งนี้ไปเลยรู้นี่เราไม่ทำไม่พูดก็เดียแต่เราได้ทำได้พูดไปแล้วเกิดการผิดพลาดเสียหายเสียอนาคตก็มีนะเพรา ะ, ะนั้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจมันคิดปั๊บมีสติรู้ทันเรื่องบางอย่างเอาไว้ก่อนก็ได้ รอเวลาค่อยตัดสินใจทีหลังก็ได้ทำไมต้องรีบตัดสินใจตอนนี้การคิดตัดสินใจในทันทีเนี่ยบางทีทำให้เราเครียดนะ <c oughs> เครียดที่ต้องตัดสินใจไอ้คนนี้ก็รอไอ้ น, นั้นก็เท่คนไหนดีเอาไว้นานๆก่อนเรียนรู้กันานานๆทุกอย่างมันเรียนรู้ได้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะการมีสติรู้เท่าทันตัวเรานี่แหละถ้าไม่รู้เท่าทันจิตใจมันจะแก้ปัญหาได้มากมาย นี่เป็นการพัฒนาจิตนะจากจิตที่โง่หลงงมงายแกเป็นจิตที่เริ่มมีปัญญาเริ่มรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นการรู้เท่าทันกายการรู้เท่าทันจิตนั่นแหละคือการรู้เท่าทันตัวเองเมื่อรู้เท่าทันตัวเองแล้วเราก็จะรู้เท่าทันคนอื่นด้วยอยากจะรู้จิตคนอื่นก็รู้จิตเราสัก่อน เรียนรู้จิต อ, อื่นๆด้วยจิตของเรามัน ค, คล้ายๆกันนั่นแหละอันนี้ะเป็นการยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นจากคุณธรรมขั้นต้นๆไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะเห็นสาเหตุของความทุกข์คือใจเราจะมันปรุงแต่งรักษาโรคภูมิแพ้ทางจิตได้เมื่อรู้เท่าทันใจได้ไแล้วก็จิตจะผ่องใสไอ้ที่จิตไม่ผ่องใสเฒ่ามอเพราะว่ารู้ไม่ทันจิต ถ้ารู้ทันจิตติก็จะผ่องใสเพราะจิตมันจะไม่ปรุงแต่งเมื่อจิตมันไม่ปรุงแต่งจิตมันก็บริสุทธิ์แล้วก็เบิกบานการปรุงทีละครั้งในจิตที่เบิกบานนั้นปรุงในจิตที่ดีดังนั้นเป็นฝ่ายกุศลคิดก็คิดแต่ฝ่ายกุศลจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจิตที่คิดในด้านากุศลจะไม่ค่อยเกิดจะเกิดแต่ส่วนที่เป็นกุศลดังนั้น ยกระดับจิตใจของเจ้าหน้าที่ด้วยการปฏิบัติธรรมในขณะทำงานเลยทำได้ไหมต้องตอบว่าได้เพราะามันง่ายไอ้ที่ไม่ได้เพราะเรายังไม่เคยลองทำเป็นของแปลกใหม่ไม่ใหม่หรอกทำเรื่อยๆจะเกิดความชำนาญแล้วมันจะมีความสุขมีความสุขในการทำงานนี่บอกเคล็ดลับการมีความสุขง่ายมีความสุขในการทำงาน นั้นเราต้องก่อนจะทํางานเนี่ยให้ตั้งสติไปเลยว่าเนี่ยวันนี้ถ้างานเจอปัญหาเมื่อไหร่แล้วก็เราจะฝึกที่จะแก้ปัญหาฝึกที่จะแก้ปัญหาอย่าหนีปัญหาถ้าวันนี้เจอปัญหาเราก็ตามที่จะแก้ปัญหาคนที่ฝึกแก้ปัญหาเนี่ยจะเก่งนะเก่งในการแก้ปัญหาเป็นนักแก้ปัญหาชีวิตก็จะหมดปัญหาไปด้วยเพราะคนที่ไม่มีความสุข มีปัญหาชิตเพราะว่าชีวิตมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นฝึกที่จะแก้ปัญหาไว้มันจะเกิดความชํานาญมองข้อดีของปัญหาแล้วก็ลองเข้าไปเกี่ยวข้องสิมันจะแก้ไขได้ง่ายมากปัญหาที่มันแก้ยากเพราะเราไม่ได้มองปัญหาในแง่ดีเลยมองปัญหาในแง่ลบใจเรามันก็ท้อแท้มองในแง่ท้าทายบางสิอุปสรรคมีไว้ท้าทาย อุปสรรคไม่ได้มีไว้ทอ้อถอยมองอย่างนี้บ้างค้นหาข้อดีกับปัญหาเราจะมีกำลังใจปัญหามีสองอย่างปัญหาข้างนอกกับปัญหาข้างในไม่ใช่นอกโรงพยาบาลกับในโรงพยาบาลนะปัญหาข้างนอกคือสิ่งที่มากระทบจากสิ่งภายนอกจากสถานที่จากบุคคลจากสิ่งแวดล้อมนั่นคือปัญหาภายนอกบางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ ฝนจะตกแต่จะออกคนจะบน่นเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมปัญหาข้างนอกมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมแต่ที่ไม่ธรรมดาคือปัญหาข้างในคือใจเราใจเราไม่ยอมรับไม่ยอมเข้าใจมี2ออย่างข้างนอกกับข้างในปัญหาข้างนอกเราก็แก้ไขไปตามปกติ ด้วยความชำนาญด้วยประสบการณ์ของเราแต่ปัญหาข้างในเนี่ยคือจิตใจเราเนี่ยต้องไม่ทุกข์ไว้ก่อนต้องไม่ทุกข์ไว้ก่อนโดยการมีสติรู้เท่าทันจิตอย่าให้มันทุกข์รักษาจิตให้เป็นปกติไว้ก่อนจิตที่เป็นปกติอยู่ข้างในสามารถแก้ปัญหาข้างนอกได้ 100% ออย่าเอาจิตที่เป็นทุกข์จิตที่เป็นปัญหาไปแก้ปัญหา เมื่อเอาน้ําสกรปรกไปล้างสิ่งสกรปรกมันไม่มีทางสะอาดได้หรอกมันก็สะอาดแบบปลอมๆอะเอาจิตที่เป็นปกติด้วยสติเนี่ยไปแก้ปัญหาข้างนอกแม้ว่าปัญหามันแก้ไขไม่ได้แต่ใจมันก็ไม่ทุกปัญหามีไว้ให้แก้ใจมีไว้ให้ไม่ทุกเนี่ยชีวิตต้องเป็นแบบนี้นะสองอย่างมองข้อดีของปัญหามากๆ หันเอาปัญหาคือตัววิกฤตเอามาสร้างโอกาสในการสร้างจิตใจเป็นตุกนะผมเองนี่ก่อนการที่ผมจะมีชีวิตที่เป็นคนพิการอย่างนี้แหละผมเคยทํางานมารับราชการอยู่ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งเป็นครูสอนวิชาพภาษาผมก็ทํางานอย่างนี้ทํางานตั้งแต่เช้าจนค่ําก็ทําไปแบบ โดยหน้าที่จะว่าไปแล้วคือทำแบบลูกจ้างทําหน้าที่แบบไม่ค่อยมีใจอะไปลูกจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการจนร่างกายพิการผมทํางานเยอะเพราะผมชอบทํางานแต่พอร่างกายพิการแล้วเนี่ยผมทําอะไรไม่ได้เลยพอเริ่มสมบัติเหตุเปิดพิการก็อยู่แี่บ้านเฉยๆไปไหนก็ไม่ได้ชีวิตนอนอยู่ยบนเตียงไปไหนไม่ได้ ถ้าจะไปต้องมีคนยกคนอุ้มและการเคลื่อนไหวก็มีได้ไม่มากชีวิตลำบากมากเพราะคนบอกชีวิตลำบากเพราะทำงานหนักแต่ผมชีวิตลาบากเพราะไม่มีอะไรทำมันว่างงานแต่ใจมันไม่ว่างใจมันก็คิดปรุงแต่งโอ้ถ้าเรามีอะไรทำได้อย่างนะใจมันไม่ปรุงแต่งหรอกมันก็มีงานทำนก็เพลินแบบการทำงานนี่มันว่างมันเป็นทุกข์มาก ก็นอนคิดจะทํำยังไงดีเนาะให้ชีวิตมันดีกว่า น, นี้ลอานอนเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเลยเมันท่อนไม้ท่อนฟืองธรรมดารอวันผุพังไปคิดไม่ออกอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมก็คิดได้นะพอเรามีความทุกข์จนพอเพียงแนละ้วมันก็คิดได้นะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เอะเราจะใช้วิธีที่เรานอนอยู่ว่างๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างไรมันคิดหาทางออก คนที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่จะแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยต้องเลิกเปลี่ยนวิธีคิดนะเมือ่อีคิดกับกอดลำเดินเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่อย่าน้อยคิดมองสิ่งนั้นในแง่ดีซะก่อนผมเปลี่ยนวิธีคิดโดยการมองชีวิตที่ว่างเปล่าในแง่ดีโอ้ดีแล้วให้เราเกิดมามีชีวิตที่ว่างเปล่าดีแล้วเราจะได้ใช้เวลาว่างๆเนี่ยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตเรา สิ่งนั้นคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันมันทาอะไรไม่ได้ก็ปฏิบัติธรรมไปก่อนเอาเวลาว่างเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติอยู่กับการใช้ชีวิตทุกขั้นตอนในแต่ละวันเนี่ยให้มีสติอยู่กับนื้กับตัวเนี่ยฝึกมารู้กายฝึกมารู้จิตรู้ใจใเราอ ย, อย่างเงี้ย หวันสองวันสามวันให้มีสติรู้ไปมันหลงลืมไปก็กลับมารู้มันเผลอคิดไปกลับมารู้ให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไอ้ความเบื่อความเจงความหนอนี่มันหายไปเลยนะเพราะเรามีอะไรทํามีงานภายในทำคือมีสติมารู้จักตัวเองยิ่งนานวันไปมันเริ่มเข้าใจเข้าใจเรื่องของกายเข้าใจความป่วยไข้เข้าใจความพิการ เข้าใจเรื่องของจิตที่มันคิดปรุงแต่งไปใ่ทางความรักความโกรธความเกลียดความเบื่อสติพอพัฒน า, นานานจะเกิดปัญญามันจะเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตความสุขอะไรไม่เกินจากการเข้าใจตัวเราคนที่ยังหาความสุขไม่ได้นั้นเพราะยังไม่เข้าใจตัวเราถ้าเข้าใจตัวเราเมื่อไรแล้วก็มันจะมีความสุข มันก็เลยสบายจิตเลยสบายอ่อนนิเรามีทุกข์เพราะอย่างนี้นะทุกข์เพราะเราคิดลุงแต่งทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นทุกข์เพราะไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองเห็นสาเหตุของความทุกข์จิตมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกแล้วความสั้นเบิกบานมันก็เกิดขึ้นได้ความสุขเกิดจากจิตที่มันไม่ทุกข์เคยมุ่งจะสแสวงหาความสุขแต่พอปฏิบัติทําแล้วเนี่ยไม่ได้มุ่งสแสวงหาความสุข อยู่ยังมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปไหนแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเรากลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะเราเริ่มรู้จักตัวเองพอเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์เ่งก็เกิดจิตที่เมตตาอยากจะช่วยอยากจะบอกเขาอยากจะแนะนำเขาช่วยทางกายไม่ได้ก็ช่วยทางจิตให้แง่คิดให้กําลังใจก็อยากจะช่วยกับพวกคนที่มีความทุกข์มากที่มาหาเราหรือที่เราเห็น เพราะเขาคิดไม่ถูกความทุกข์ที่เกิดกับเขาเนี่ยไม่ใช่เกิดจากอะไรเกิดจากเขาคิดไม่ถูกให้ช่วยในแง่คิดกับเขาก็ทำหน้าที่ลดความทุกข์แองเขาเนี่ยอาศัยทำด้วยจิต ด, ด้วยใจกับร่างกายที่มันเหลืออย่างนี้ลนะเพราะนั้นเจ้าที่สารสุขทุกท่านกับผมเนี่ยทำงานคล้ายๆกันคือช่วยลดความทุกข์ลดปัญหาให้กับคนอื่น อันทจริงแล้วเนี่ยทำงานสายงานเดียวกับงานพระพุทธเจ้าเลยนะงานช่วยลดความทุกข์คนอื่นเนี่ยเป็นงานที่สายงานเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยทํางานอะไรท่านชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุฬฐานให้พ้นโศกวิโยคภัยช่ไหมเป็นงานแก้ปัญหาอื่นทั้งนั้นเลย งานเดียวคุณเจ้าเป็นงานบุญแต่ผมทาแบบไม่ต้องการอะไรนะช่วยเหลือคนอื่นพูดคุยช่วยทางด้านจิตใจไม่ช่วยร่างกายทำแบบไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการผลอะไรทำประโยชน์เพราะเห็นว่ามันคือประโยชน์แต่ก็ไม่ได้หวังอะไรทำด้วยจิตใจแล้วมันมีความสุขกตรกร่อนเกิดการเปรียบเทียบก่อนการปฏิบัติธรรมก่อนพิการเนี่ยผมทางาน แต่ใจไม่เคยมีความสุขเลยไม่มีความภูมใจทำแบบต้องการผลอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นไอ้พวกอยากทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเหตุของความทุกข์ต่างกันยิ่งทำยิ่งทุกข์ถ้าทำเหตุให้ถูกต้องผลไม่ต้องการมันก็ได้มันสำคัญที่การสร้างเหตุกับการสร้างใจเรามันต่างกันแต่พอมาทางานในสภาพที่พิการเนี่ย มันเกิดมีความสุขกว่าท้านที่ทำมนก็ไม่ค่อยสะดวกนะนไอ้บ้าจะขึ้นมาวันเวทีจะมีคนยกเดี๋ยวตอนลงก็มีคนยกลงอีกทาไมยกลงผมก็ไม่ลงเหมือนกันนะ <c oughs> และมันมีความสุขมันกลายเป็นชีวิตมีคุณค่าเพราะผมทำงานแบบไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรทำหน้าที่เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์มันก็มีความสุขมันมีความเบิกบานใจเห็นคุณค่าของ ตัวเองแต่ก่อนนี้ไม่ได้ทำประโยชน์เนี่ยมองคุณค่าตัวเองไม่ได้แต่พอเริ่มทำประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของชีวิตที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ในด้านการให้แง่คิดและกำลังใจเนี่ยคือทำงานด้วยใจมันก็พลอยมีความสุขเพราะนั้นผมเองเนี่ใช้วิกฤตของตัวเองเนี่ยให้เป็นโอกาส โอกาสที่ได้คือการได้ปฏิบัติธรรมได้ทําหน้าที่ได้ทําประโยชน์เมื่อเกิดความสุขความเบิกบานระล่านจิตใจในสิ่งที่เราทําสบายเลยชีวิตนี้มองปัญหามองเห็นข้อดีของปัญหาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยากจะทํางานให้มีความสุขก็ต้องทําด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจ ทำเหตุให้ถูกต้องส่วนผลนั้นไม่ต้องคำนึงถึงหรอกไอ้ที่เรามีความทุกข์เพราะเราต้องการผลมองผลไปข้างหน้าเมื่อไม่ได้ดังที่เราต้องการเราก็เป็นทุกข์เพราะนั้นลองไม่ต้องหวังผลเเมื่อทำเหตุถูกต้องผลมันก็ได้เจ้าที่สารสุขทุกๆ ท, ท, ท่านเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานบุญเป็นงานสร้างบุญ บุญเนี่ยไปเชื่อความสุขถ้าหวังเพียงแค่เงินหรือชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นอันนั้นมันไม่ใช่ความสุขหรอกเงินเป็นเพียงแค่เครื่องอำนวยความสะดวกเงินไม่ได้ทำให้คนเป็นสุขเสมอไปหรอกคนที่มีทุกข์มากคือคนที่มีเงินมากเห็นปะเพราะนั้นเงินเนี่ยไม่ใช่เครื่องกาหนดว่าจะต้องเป็นความสุขไม่ใช่ เงินเป็นเพียงแก้กเคลือบอำนวยความสะดวกมีไว้ก็ดีแต่ไม่ใช่ความสุขความสุขอยู่ที่การทําความดีการทําบุญน่ะฮะชื่อเสียงตําแหน่งก็ไม่ใช่บ่งบอกถึงความสุขนะคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยไปดูเถอะเขามีความสุขหรือเปล่าบางที่ทุกข์หนักก็มีตําแหน่งหนะ้าที่การ ง, งานคือหัวขนตัวสมมุติตําแหน่งหนะ้าที่ทุกสูงฆ่าตัวตายก็มี ตำแหน่งสูงเมื่อที่ทุกข์ก็สูงถ้าวางใจไม่เป็นเพราะนั้นเป็นเรื่องเพียงสมมุติตายไปก็ไปไม่ได้ทั้งเงินทั้งชื่อเสียงทิ้งไว้ในโลกนี้แต่บุญนี่นีบุญที่เราสร้างเนะี่ยมันติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สะสมเอาไว้นะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่ได้ขู่นะทุกอย่างมันใกล้ตัวเรามาทุกทีแล้วอย่าคิดว่าเรามีชีวิต จะมีชีวิตอยู่คู่กับโลกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องลาจากโลกนี้ไปก่อนโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่มันใกล้ตัวเราไอ้โรคเอดเก่าๆก็ยังไม่จบกำลังมีเอตพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วเอตใจเราต่างหากอีกโรคมะเร็งเมื่อก่อนไกลตัวเดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวเราบางคนก็เป็นเข้าไปแล้วคาดไม่ถึงเห็นไหะ อันนี้แค่โรคนะเราที่ป้องกันพอไหวไหมโรคมันเยอะมันป้องกันไม่ได้มันต้องเตรียมตัวไวแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรอุบัติภัยมีเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศทุกอย่างเนี่ยมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงทําให้เราพร้อมที่จะตายได้ทั้งนั้นนั้นอย่าประมาทไอเรื่องเงินน่ะไม่สร้างมันก็มีชื่อเสียมันก็ได้ แต่ว่าใจเนี่ยต้องสร้างด้วยการทำบุญทำหน้าที่เนี่ยคือการทำบุญสะสมเอาไว้เราอย่ามองว่าเราทำงานเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่เราไปควรทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแต่เรารู้หรอกว่าไอ้คนที่ดูข้างนอกเนี่ยเขาชื่นชมอยดีเราการแต่งกายในตำแหน่งเครื่องแบบสารสุกเนี่ยโอ้มันเท่มันงามเราใส่ทุกวันมันก็เบือ่อ แต่คนมองข้างนอกว่าดีอย่างชุดขาวพยาบาลดูแล้วมันสดใสมองเทเลสก็สดใสเสื้อเหลืองเสื้อเขียวสดใสทั้งนั้นไอเราใส่ทุกวันมันก็เบื่อถูกไหมแต่คนดูข้างนอกเนี่ยเขาชื่นชมยินดีนะเขาให้เกียรติกับอาชีพของเราเคยดูละครไหมคนแสดงละครเนี่ยโอ้เราแสดงไม่ดีเลยวันนี้แต่คนดูว่าคุณแสดงดีคนดูข้างนอกอะ เขาจะเข้าใจทีเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเราเองนั้นจงภูมิใจในหน้าที่นี้เถอะหน้าที่สาธารสุขชื่ออะไรคนอื่นเนี่ยเป็นงานบุญเป็นการสร้างบุญถ้าวางใจดีๆนะทําด้วยความเต็มใจเนี่ยเราก็จะมีความสุขแม้ว่างานจะหนักงานจะยากตําแหน่งจะเล็กเงินเดือนจะน้อยมันไม่สําคัญหรอกสำคัญที่ว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นงานสุจริต เป็นงานช่วยเหลือคนอื่นมันสิ่งทน้าภาภูมิใจถ้าเราช่วยคนอื่นให้เขามีความสุขได้เราก็พรอยจะมีความสุขไปด้วยใช่ไหมถ้าเราช่วยเขามีความสุขมากเราก็มีความสุขมากไปด้วยความสุขของเรากับความสุขของอื่นเนี่ยมันไม่แยกจากกันหรอกเอาแค่นี้เนาะอนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างความดีนะมาร่วมกันอบรมในโครงการคุณธรรมและจริยธรรมก็เห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์มากกันน้อยน่นในการพูดคุยในวันนี้รู้สึกยินดีที่ได้มาพูดคุยกับเจ้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรหวังว่าการพูดคุยในวันนี้คงจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เจ้าที่สารณสุขทุกท่านได้มีขวัญมีกำลังใจมีความสุขกับการทำงานยกระดับจิตใจให้พ้นจากกิเลสและกองทุกได้ในเร็วๆวันนี้นะนะอนุโมทนาทุกๆคนช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้สำหรับถามตอบนะครับถามตอบปัญหาอาจจะเป็นใครที่ ขัดข้องนะครับหรือว่ามีความทุกข์ใครที่ใบเอเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรจะต้องทําอย่างไรให้พ้นทุกข์นะครับก็สัก3คําถามนะครับ3คําถามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัชรานะคะจากโรงพยาบาลพิจิตรก็นี้ก็จะคือจะสอบถามในของภาพรวมเพราะว่าพอดีได้เจอจากประสบการณ์โดยตรงคือได้ศรัทธาท่านมานานแล้วนะฮะก็เลยว่าในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเลยคะ่ะ น, นี่พอดีอยู่ในวงขององค์กรเนี่ยของโรงพยาบาลพิจิตรเนี่ยจะได้ส่งไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่นะคะตอนนี้เนี่ยจะสอบถามในแง่ของว่าที่เริ่มที่ท่านเจ็บป่วยเนี่ยนะคะจุดแรกจุดวิกฤตที่ทําให้เปลี่ยนจากวิกฤตอันนั้นให้เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าจากที่ท่านบอกว่าการหายใจอะไรอย่างงี้นะคะท่านช่วยเสนอแนะว่าจะทําอย่างไรให้คนที่ยังไม่เคยเลยเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เคยได้ประสบด้วยตัวเองเนี่ย จะได้มาปฏิบัติได้อะค่ะเหตุการณ์วันนั้นเพื่อที่จะให้เดินมาถึงถึงขนานี้อะค่ ะ, อะขอบพระคุณค่ะจุดนั้นใช่ั้ยเดี๋ยวจุดนี้ก็จะเล่าแล้วคือคนที่มีปัญหามีความทุกข์เนี่ยความทุกข์ที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่ที่ความป่วยไข่หรอกมันอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่วิธีคิดเราคนที่มีความทุกข์มักจะคิดอะไร ว่า oh, เราเนี่แย่อยู่คนเดียวในโลกเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกไม่มีใครทุกข์เท่าเราเลยเราจะมองตัวเราเนี่มันแคบลงไปไม่เปิดใจกว้างทุกสําคัญคือเรื่องของความคิดที่มันปรุงแต่งปรุงสร้านมากสิ่งเนี้ยบางทีตัวเราก็ไม่รู้ทันว่าเราคิดปรุงแต่งปรุงซ่านแต่อย่างผมนี่ยอย่างจุดผมนะจุดเปลี่ยนเนี่ยคือผมมีสิ่งไว้ลอมรอบตัวที่ดีมากผมมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่น้อง สิ่งเมอลอดที่ให้กำลังใจไม่ว่าใจเราจะคิดฟุ้งซ่านทุกขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งเมอลอมเนี่ยดีมากนั่นก็ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้จักที่จะหยุดอดทนกับความคิดนั้นมากเมื่อสิ่งเมอลอมดีเราก็ต้องช่วยสิ่งเมล้อดโดยการอดทนคุณพ่อคุณแม่เนีปลอบใจคุณแม่เนี่ยบอโอ้นี่มันเป็นได้มันก็หายได้นะมันจะหายเมื่อไหร่ก็ทังไปบอกนะว่าเป็นได้ก็หายได้ เนี่ยสาปีแล้วก็อยู่อย่างนี้นะไอ้เราก็เห็นว่าเขาให้กำลังใจเราก็าทำให้เรามีกำลังที่จะอดทนขั้นแรกคือใช้ขันติใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาอดทนพออดทนแล้วเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเริ่มทนได้พอเริ่มทนได้เนี่ยมันจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่ง ถ้าเราอดทนได้น้อยไม่เป็นไรหรอกพอทนปับ๊บรู้จักคิดเปลี่ยนเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นลบมันเว้นกรรมอะไรของเราทําไมถึงต้องเป็นเราให้หยุดคิดตรงนั้นซะเพราะยิ่งคิดมันยิ่งซ้ําเติมตัวเองคิดบ่อยๆได้มันก็ต้องฆ่าตัวตายเปลี่ยนคิดว่าเราจะทำไงกับสภาพอย่างนี้เปลี่ยนวิธีคิดนะมองหาทางแก้ปัญหาไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยเราก็ดีขึ้นเอง วันเวลาผ่านไปแล้วก็ดีขึ้นเองวันเวลามารักษาแผลใจได้คิดมองไปในทางบวกซะอาจจะเปรียบเทียบกับคนที่แย่กับเราก็ได้เปรียบเทียบกับคนที่โชคร้ายกับเราเราจะกลายเป็นคนที่โชคดีกว่าเขาเราจะเริ่มมีกำลังใจคิดหาทางออกอย่างผมมองในแง่ดีดีวว่บอกดีแล้วละ่ะ มันป่วยมันไข้มันนอนบ้างว่าเดี๋ยวละ่ะเราจะได้เป็นคนนั่งกินนอนกินสบายดีเหมือนกันมองไปในแง่ดีนะนะให้ใจมันไปในทางอีกมุมนึงแล้วบอกเออเวลาว่าเนี่ยทำไงให้มีสาระใช่ไหมพอคิดแล้วต้องทําจะทํายังไงให้ชีวิตเรามันมีสาระผมก็เริ่มศึกษาคุณพ่อบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสาระที่สุดในชีวิตผลคือความพ้นทุกข์ทั้งปวงสาระชีวิตไม่ไช่ทําอะไรมากๆเยอะ ได้ราบยุทือเสียงไม่ใช่มันอยู่ที่เราทำแล้วเราหมดปัญหาหรือไม่ถ้าหมดปัญหาใจเราพ้นทุกข์มีความสุขดันัน่นแหละคือสาระเรามองว่าสาระคือต้องช่วยคนอื่นแต่ผมช่วยไม่ได้ก็ช่วยตัวเองก่อนเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยใจเราไม่ให้ทุกข์ได้ก็เริ่มฝึกปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมเราจะนึกถึงภาพอ๋อปฏิบัติธรรมต้องไปวัดใส่ชุดขาวเดินย่องย่อทำหน้าง่อยๆนั่งการปฏิบัติธรรมเหรอไอเราทำอย่างนั้นไม่ได้ไอผมก็คิดนะไอเราก็เดินย่องย่อก็ไม่ได้ทำหน้าง่อยๆก็ไม่ได้แต่พอดีโชคดีที่ผมมีค ร, าารูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนสวรรณโอยวดป่าสุกตอเนี่ยบางท่านก็เคยได้ไปมาท่าน แนะนำวิธีการจเจริ่มสติปฏิบัติทำแบบคนพิการโอ้ไม่มีพระองค์ไหนสอนคนพิการท่านสอนให้นอนพลิกมือเล่นๆ น, นอนพลิกมือให้มีสติอยู่การพลิกมือพลิกมือหงายให้มีสติพลิกมือคว่ำให้รู้สึกพลิกมือหงายให้รู้สึกคว่ำให้รู้สึกให้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของมือไงเนี่ยเวลาจิตใจมันคิดไป ก็กลับมารู้สึกอย่าไปตามความคิดตอนแรกจิตมันเป็นโรคภูมิแพ้พอคิดไปแล้วก็ตามไปแล้วตามไปแล้ว ก, กลับมารู้สึกตัวใหม่เผลอไปอีกก็กลับมาอีกเผลอคิดไปอะไรกลับมาทุกครั้งทุกคราจนจิตมันเริ่มเข้มแข็งเกิดสมาธิจิตมันไม่ไปคิดฟุ้งซ่านใจมันก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันคนที่ไม่มีความสุขเพราะจิตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอดีตอนาคต อยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตมัเนเลยไม่เหงาไม่เบือ่อไม่เต็งมันก็สนุกอ๋อทำมือขวาบ้างทามือซ้ายบ้างแต่กอมือซ้ายยกไม่ได้เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาทำบ่อยๆก็โอ้แขนซ้ายแข็งแรงเลยเห็นไได้ทั้งกายได้ทั้งจิตพอตนี้แล้วเนี่ยจากขันติกลายเป็นสติไม่ต้องขันติแล้วสติมันอยู่เหนือขันติงงไหมอะไรติเติอะ ขันติคือความอดทนสติคือความละลึกได้เมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องทนกับอะไรแล้วความอดทนเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองเพราะเามีสติคอยช่วยสติพอจเจริญไปนานกายอยู่ไหนใจยอยู่นั่นใจคิดอะไรสติรู้ด้วยรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจมันก็เกิดปัญญารู้จักตัวเองอ๋อทุกข์มันเกิดจากอะไร วิธีแก้ปัญหาแก้ตรงไหนแก้ที่จุดคือที่จิตที่ใจแล้วก็มีการป้องกันด้วยนะเนี่ยเราชาวสารสุขต้องป้องกันป้องอะไรป้องกันจิตที่มันคิดฟุง้งซ่านโดยการไม่ห้ามให้มันคิดให้มันคิดแต่ฟุ้งซ่านในทางกุศลบ้างก็ดีเหมือนกันต่อไปกุศลฟุ้งมากๆ ม, มันก็เบื่อ มันฟุงน้งฟาดในเรื่องของกุศลเนี่ยมันก็เพลียเหมือนกันก็เลยปล่อยวางมันไปปล่อยอย่าไปยุ่งกับมันไม่ได้ห้ามแต่ไม่ยุ่งกับมันใจเราก็ไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลและกุศลวางไปได้ก็มีสติกัมันของแล้วพอมีสติแล้วเนี่ยไอความคิดดีๆเนี่ยคิดเมตตาที่เป็นฝ่ายกุศลจะเกิดขึ้นมาเมตตาต่างๆ พอดีผมไปปฏิบัติธรรมมาเช่นเดียวกันนะครับถ้าใจมีสตินะครับอยู่กับกายนะครับผลลัพธ์ก็เท่ากับปกตินะครับแล้วก็วงเล็บศีสีนคือปกตินะครับคำถามที่2เลยครับเชิญเลยครับกับผมจำนองกฤชลอดนะครับประธานผู้สูงอายุอำเภอเมืองพิกิตอยากจะขอกาพเรียนถามว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเขาไว้ว่าในโลกนี้นะครับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จุดประสงค์ที่ผมจะได้เรียนถามมันก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับในความคิดเห็นของท่านอาจารย์นั้นนะครับมีความคิดเห็นสอดคล้องกับเรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณครับเอาแง่คิดของผมนะ จะถูกหรือผิดก็พี่นาวเองคําถามแบบเนี้ยแต่ก่อนผมอ่านเจอบททุกท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกตอนนี้ตั้งอยู่ทุกตอ น, นที่ดับไปโอ้ชีวิตเราเนี่ยมันแห้งเหี่ยวเหลือเกินท่านสอนแต่เรื่องความทุกข์ก็ทอแท้เหมือนกันนะไอเราก็มันทุกข์อยู่แล้วพอไปอ่านหนังสือเจอบทนี้ก็เขาก็พลอยทุกข์หนักอีกแต่มีเหตผลว่าท่านบอกว่าทุกทุกเป็นประธาน แต่ท่านบอกวิธีการดับทุกข์ให้ด้วยเนี่ยสําคัญมากนะคําสอนถ้าบอกปัญหาปับ๊บไม่บอกวิธีการแก้ปัญหาอันนี้ยังไม่ถูกต้องท่านสอนวิธีแก้ปัญหาอย่างพวกเราเนี่บอกว่าเธอเนี่นไม่ได้หรอกจะต้องอย่าไปทุกข์นะอย่าไปเศร้านะเราบอกเข้าไปแต่เขาแก้ไขไม่ได้หรอกต้องบอกวิธีการชี้ปัญหาในตัวเขาแล้วต้องบอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยคุ้น เป็นโรคเอดส์เข้าไปแล้วแล้วก็จบใครเนี้โอเคขาก็ไปฆ่าตัวตายเลออกไม่เป็นไรหรอกคุณเป็นโรคเอดส์คุณมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้คุณต้องพิการตลอดชีวิตและจบแค่นั้นโอเคขาก็ไปฆ่าตัวตายวันต่อแต่ไม่เป็นไรหรอกแม้ว่าคุณ น, นี่อยู่ในสภาพพิการคุณสามารถมีความสุขอยู่ในสภาพที่พิการได้ คุณสามารถทํางานได้เหมือนคนอื่นได้ต้องชี้ทางอ่อยเขาด้วยจึงจะเป็นคําแนะนําคําบอกเล่ากําลังใจที่เป็นประโยชน์เนีย่ยผู้เจ้าชี้ปุ๊บท่านบอกว่าวิธีการออกจากทุกขมีอยู่ใช่ไหมทุกอยู่ไหนความไม่ทุกก็อยู่นั่นเหมือนกันนะถ้าดูต่อไปทุกอยู่ที่ไหนความไม่ทุกอยู่นั่นเหมือนกันที่ท่านบอกว่าทุกเกิดขึ้น ทุกตั้งอยู่ทุกเรบไปเพราะว่าไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นสาเหตุของความทุกข์ท่านสอนให้เราไม่ยึดติดทาหน้าที่ทุกอย่างใช้พิทุกอย่างตามปกติแต่ไม่ยึดติดอย่ายึดติดในลาบในทรัพย์สินเงินทองเพราะถ้ายึดติดแล้วสิ่งนั้นคือความทุกข์ เพราะเงินทองเนี่ยมันมีการขึ้นและมีการลงมีมากมีน้อยส่วนมากก็จะน้อยเงินในกระเป๋าตอนเช้ามีเยอะตอนเย็นกลับไปเหลือน้อยนะอย่าไปยึดติดตำแหน่งหน้าที่การงานอันนี้ดูเหมือนจะดียิ่งตำแหน่งสูงถ้าเราไปยึดติดเนี่ยเราต้องถูกออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นทุกข์อยู่เนี่ยท่านบอกอย่าไปยึดติดชื่อเสียงต่างๆเนี่ย ทุกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าไปยึดติดสิ่งที่เกิดดับเนี่ยจิตใจจะเกิดดับตามสิ่งนั้นนะจะเป็นทุกข์ตามสิ่งนั้นท่านจีทุกเพราะไม่ให้เรายึดติดแต่ให้เราทําหน้าที่กับเขาเดีย๋ยวร่างกายเนี่ยดูแล้วมันไม่มีความสุขหรอกไม่เห็นมีใครนั่งนิ่งๆนาทีมีขยับไปขยับมานั่นเพราะเป็นการแก้ทุกทุกอย่างเป็นสิ่งที่แก้ทุกหมดเลย เราอย่ายึดติดในร่างกายเพราะกายมาเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือความทุกข์ให้เรารู้ทันและเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแต่อย่าไปยึดติดยึดติดเมื่อไรแล้วก็เป็นทุกข์ท่านสอนแม้เรายึดติดวิธีการไม่ยึดติดต้องปฏิบัติรมให้รู้เท่าทันเพียงบอกแค่นี้เราปล่อยวางไม่ได้หรอก ต้องเข้าไปสัมผัสสัมผัสว่าโอ้นี่มันทุกข์จริงยึดติดไม่ได้มีอะไรบ้างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่เป็นทุกข์ในชีวิตเนี่ยไม่มีอะทุกข์ตั้งนั้นแต่เราก็ไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาอย่าไปยึดติดเกี่ยวข้องแบบเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นทุกข์คือผู้เป็นถ้าเปลี่ยนเป็นผู้ดูปับ๊บเราไม่ได้เป็นผู้ทุกข์แล้วเห็นไห ทุกอยู่ที่ไหนความไม่ทุกก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันทุกเพราะเราเข้าไปเป็นไม่ทุกเพราะเราเป็นผู้ดูเห็นไหมทุกคนเนี่ไม่ทุกแหลกเห็นผมพิการเพราะคุณไม่ได้ไปพิการอย่างผมเนะีเป็นผู้ดูความพิการด้นคนที่ไม่อยากเป็นทุกเนี่ยให้เป็นผู้ดูและเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางอย่าเข้าไปเป็นเนะี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับนะ แก่ทุกนดเดียวเมื่อกายป่วยไขย้ใจเป็นคนดูใจจะไม่ป่วยด้วยนะเมื่อกายแก่เอาใจก็เป็นคนดูใจก็จะไม่แก่ด้วยเมื่อกายตายใจเป็นคนดูใจก็ไม่ตายด้วยเมื่อจิตมันคิดในทางทุกข์เราก็เป็นคนดูความคิดอย่าเข้าไปเป็นผู้คิดเป็นผู้ปวดกับ ผู้ดูความปวดอะไรเจ็บป่ากันหลวงพ่ อ, พอเขียนสอนเสมอว่าให้เป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าเป็นผู้ดูเมื่อไหร่แล้วก็เราจะปลอดภัยจากทุกทั้งหลายทั้งปวนแต่บางอย่างดูแล้วต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางเห็นคนที่กำลังดิ้นพรนพาใกล้จะตายเราเป็นผู้ดูอันนี้ดูแบบโง่นะไม่มีเมตตาอ๋อเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยที่ไม่ยึดติดเรื่องบางอย่างดูแล้วต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องบางอย่างดูแล้วก็ให้ผ่านไปบางอย่างไม่ต้องเกี่ยวข้องก็ได้บางอย่างต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกี่ยวข้องก็ด้วยสติสมัมปชัญญะเราจะได้ไม่ทุกข์เราดูแลคนไข้ช่วยเหลือเขาถ้าช่วยไม่ได้ต้องช่วยใจไม่ให้เป็นทุกข์ด้วยเกี่ยวเนาะ ครับคำถามต่อไปครับเชิญเลยครับเดี๋ยวถามยากนะถามยากตอบไม่ค่อยได้พี่พงศ์จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดครับที่จารพูดว่าจิตเป็นโรคภูมิแพ้นะครับนะฮะก็อยากทราบเทคนิคหรือวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับโอ้นี่มาจากสาธารณสุขเลยสาธารณสุขต้องเน้นเรื่องการป้องกันเครื่องป้องกันทุกเนี่ยก็คือตัวสติสัมปชัญญะเรา เป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยป้องกันแต่โลคข้างนอกเนี่ยมันป้องกันไม่ได้หรอกบางทีเราต้องป้อ ง, องกันจิตไม่ให้เป็นทุกข์กับโลคข้างนอกซะบ้างจิตที่เป็นภูมิแพ้เพราะจิตมันอ่อนกําลังใช่ไหมจิตมันอ่อน ก, กําลังกําลังของจิตเนี่ยต้องอาศัยสติเลียกสติพละสติพละคือกําลังของสติคือฝึกสติมากๆจิตที่ไม่มีสติเนี่ยมันก็จะเลื่อนลอยเป็นอะไรสัมภเวสีผีสัตว จิตเลื่อนลอยไปหาที่ปูถที่เกิดแต่ถ้ามีสติจิตมันจะมีหลักให้มันเกาะมันจะไม่หลงไปกับอารมณ์ได้ง่ายภูมิแพ้ของจิตคือแพ้อารมณ์อารมณ์รักมาก็รักหมือนเริ่มมาตัวอารมณ์กรธมาก็โกรธหมืเนื้อ่มมาตัวเหมือนกันแล้วก็ไปทุกข์หมือนเริ่มมาตัวเหมือนกันถ้ามีสติตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่อารมณ์รักมาก็รู้ทันอ่อนนี่มันคืออารมณ์รักเนาะความรักมามาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีใครรักตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอา ร, ณรมณ์โกรธมาโกรธชั่ววูบโกรธชั่ววูบถ้าใครไปทําตามความโกรธชั่ววูบเหมือนกันมันผ่านมาแล้วเราก็ผ่านไปให้มีสติรู้ทันให้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฮะนี่แหละคือจิตบิพุ่มคุ้มกันคือสร้างสติให้มากๆคนที่ไม่อยากเป็นทุกข์ก็ตังสติเยอะ คนที่อยากมีความสุขให้เจริญสติมากๆในชีวิตประจำวันจิตมันจะเบิกบานเวลากายเคลื่อนไหวให้มีสติรู้จิตมันคิดให้มีสติรู้แค่รู้เฉยๆเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเมื่อสร้างภูมิคุ้มกันใจจิตได้แล้วก็ไอ้ภูมิคุ้มกันโลกข้างนอกเนี่ยมันไม่ยากหรอกข้างในเนี่ยต้องสร้างก่อนสร้างข้างในให้ดีพอคุมคุ้มกันใจดีแล้วเราจะไป แก้ปัญหาข้างนอกได้ง่ายและช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้ด้วยเจริญสติมากๆในชีวิตประจำวันง่ายๆการใช้ชีวิตเนี่ยอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆให้มีสติรู้ทันอย่าหายใจฟรีๆให้มีสติรู้ทันอย่าโกรธฟรีๆให้มีสติรู้ด้วยอย่าทุกข์ฟรีๆให้มีสติรู้ด้วยมันไม่จะได้ไม่ขาดทุนชีวิตนี้ ก็มีอีกคำถามนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าวันนี้การบรรยายพิเศษของอาจารย์นี้นะครับได้ถูกถ่ายทอดวงจรปิดนะครับไปตึกต่างๆนะครับของโรงพยาบาลพิจิตรทั้งหมดนะครับก็มีคําถามนะครับจากตึกไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าถามว่านะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนหนึ่งนะครับอาจารย์ครับมีลูกชายนะครับได้รับอุบัติเหตุนะครับที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่แขนและขานะครับจะเคลื่อนไหวได้ในเฉพาะตั้งแต่คอขึ้นไปนะครับ อาจารย์จะพอจะแนะนำในเรื่องของวิธีปฏิบัติแล้วก็แนะนำคนไข้คนนี้อย่างไรครับมันก็คล้ายๆกับชีวิตผมเหมือนกันแหละเราอยากจะให้คนไข้ดีนั้นคนดูแลคนไข้ต้องดีก่อน <c oughs> ภูมิุ้มกันไม่ได้แบ่งปันกันได้บ้างจิตใจของผู้ดูแลจะต้องดียิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปาศให้กำลังใจลูก ไม่มีกำลังอะไรที่จดีเท่า ก, การให้กาลังใจให้กำลังใ จ, ใงใจเข้าใจความป่วยไข้ของลูกเมื่อกำลังใจเพื่อจิตใจเขาเนี่ยได้ตั้งมั่นสักแล้วก็ค่อยๆให้เขาเติมสิ่งที่เขาขาดเดีย๋ยวน้อยวิธีการคิดคนเราเป็นทุกข์เพราะคิดไม่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลอาจจะให้แง่คิดต่างๆอาจจะ หาหนังสือให้อ่านอ่านหนังสือไม่ได้ก็อ่านให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่มันฟังง่ายๆเรื่องชาดกสุขสนานเยอะแยๆไปเติมสิ่งที่เป็นกุศลให้กับเขาให้เขาดู CD, ดวีดีทัศน์ให้เขาเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ปรากฏตา่างๆไม่ใช่เอาแต่เรื่องหนังเรื่องอะไรละครมาไม่ใช่เอาเรื่อที่มีสารให้เขามีแง่คิดให้เขาเปลี่ยนมุมมองในความคิดโดยการอาศัยสื่อพวกนี้สื่อนี้ช่วยเขาคิดได้ อาศัยสือ่อนี่คือสิ่งภายนอกจนจิตเขาเริ่มยอมรับลองให้เขาฝึกฝึกให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเด็กขนาดเนี้ยเขาจะมีความคิดปุุงซ่านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่คิดไกลคิดใกล้ๆหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้เขาฝึกให้เขาฝึกสติหลังจากที่จิตเขาพร้อมแล้วจากการได้ยินได้ฟังจากการได้กำลังใจแล้วเนี่ยจิตเขาเริ่มยอมรับตอนนี้ เหมือนหม้อที่เปิดฝาไว้เติมสิ่งที่มีสาระลงไปเลยโดยการลองให้เขาฝึกซิหนูลองหายใจเข้าแล้วรู้สึกที่หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกให้เขารู้สึกตัวให้อยู่กับปัจจุบันได้เพราะจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะพลากออกจากความคิดจิตจะพลาดตัวมันเองออกจากความคิดปรุงแต่งจิตก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะเติมไปเรื่อยโดยที่เด็ก เขาจะไม่มีอะไรทํามากมายแต่ถ้าเขาฝึกตรงนี้ไวมากๆสติไวมากๆในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าใจตัวเขาเองสำคัญที่สิ่งแวดล้อมอย่าทอดทิ้งเขาคนใกล้ตัวนะต้องทำก่อนทำให้ชำนานแล้วก็ไปสอนลูกผมนี่มีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อนี่ฝึกไฟธรรมะไปศึกษาไปหาธรรมะจากหนังสือจากเทพ จากการปฏิบัติมาเดินจงกรมให้ผมดูท่านไม่ชวนผมเดินจงกรมท่านเดินให้ดูแล้วบอกวิธีการเล่าถึงครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็เพลิดเพลินในสิ่งที่ท่านเล่าเอาหนังสือดีๆมาวางให้เราอ่านเอาเทศธรรมะมาให้ฟังซึ่งทุกอย่างเนี่ยผมไม่ชอบต่อต้านทั้งนั้นเลยแต่ต่อไปได้วยกําลังใจที่คุณพ่อคุณแม่พยายามให้เราเราเกิดความเข้าใจเห็นใจเขา เห็นใจเขาที่เขาให้กำลังใจเราเราก็เลยทำตามมันยิ่งทำทุกวันก็ยิ่งเข้าใจได้เรื่อยเห็นม <S <S เริ่มจากการให้กำลังใจสร้างสิ่งแวดล้อมจากคนรอบตัวแล้วก็ค่อยเติม <S 1> <S 1> อย่าไปบังคับไม่มีใจใครอยากให้ถูกบังคับให้เขาเห็นประโยชน์แล้วก็จะเริ่มทำเอง